เพศในวงปฏิบัติมันคอยจะเพศตะวันขวา ง, งให้เสียเวลาเวลา ม, มากมายเพศย่นลงมาในตุกสําคัญน้าคัญเป็นเพศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้ า, ากาก็เป็นดินฟ้ า, ากากตะแต่กว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่เคยทุกข์ แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนนั้านก็ไม่เป็นทุกข์ููในสถานที่ใดสถานที่นั้นนั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โรคประหกัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด เพราะฉะนั้นถึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดแต่ไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้ามัา้งยัไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกติดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเป็บญจขันธ์ของเราหนี้กับใจนี่เป็นหลักสําคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันทีเพราะสาเหตุที่จะทำให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เหลวหรือชาปัญหาที่ผิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนางเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ครูที่จะผิดทุกให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายนจิตก็เกิดขึ้นภายนจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นทีพระพระธเจ้าท่านเป็สอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีติีดตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบลีดกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่ค้นกันไปจากที่นี่ไม่ค้นที่อื่นนี่เพราะยางยิน ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุนมัวกระวนกระวาแต่กับทุกข์เสียทั้งหมดทุกเลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวงเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกนั้นทุกเผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกในขันได้อีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ ที่นี้เราจะตําหนิใครก็ตําหนิไม่ได้ตําหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจ ะ, จะหลีกหลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนะึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถเนะี่ยจําเป็นก็ต้องยอมรับทุกข์มากน้อยเท่าไหรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเ้าเอา รอรให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตในขันเ์เผาเอาเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผานี่นี่คือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างปิตบขัณฑ์ที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ จนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงแล้วภาพความจําก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพาปัญญาใจในเรื่องความเกิดยินแย้งแจ่งช่ายต่อความเกิดแต่โศกเศร้าน้อยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรขีดแตกกันเลยมี่ก็ตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บําบุงมันเลยรักษากั้นมา แล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสนัตว์เหมือนอย่างเราเราท่านท่านที่มองเห็นเป็นอนี้มันผ่านมาจากคู่ที่เรอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมชาตาิาตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาที่ตกทอดออกมามันตกคทอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่เองเราก็ไม่ทรบความจําก็หายหมดไม่ทราบเราเกิดมาแต่เมื่อไหร่วันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ พอตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่านั่นเป็นพ่อมีเป็นแม่เกิดบันนั้นเดือนนี้ขอพ่อแม่บอกในร่าเวลาเท่านั้นเท่านี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตพราะังไม่มีทางทราบนั้นมืดมาโดยลําดับนั่นแหละเรื่องจิดมืดด้วยลบความจดจําของตนจะหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกแล้วกระทบกระเทือน ก, ก, กันมาตั้งแต่บัดนั้นล่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไร ภูเขาทั้งลูกลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไมใ้ใหญ่ใหญ่ที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดน้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเป็นตรงไม้ล้มทับคน น, น้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นเถอะทับอยู่ทุกผู่ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพากับพาถ่าพานับพานอาหาร พานุ่งพะห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับคนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบันเทากันแล้วอยู่กด้วยการบันเทากจริตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหินไปโน่นไปกว่าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบ้ามนนภาพเนโน่นหวานนั่นจะดีอันนี้จะดีจะลืมเลงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพิดเพลินไปโน้นเสียมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ นีอยู่ตนอดเวลานั่นแหะถ้เราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนี่แต่ว่าเราเหลิองหรือไม่เหลืงของจรินมีอยู่แสดงอยู่ความก็ตกตะกั่วในท่านในขันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันก็ตกตะกั่วตลอดเวลาแค่ เ, เราจะหวังว่าความเพลิดเพลินอะไรจากสิ่งของนี้เล่ายิ่งขนาดเก็บคขยได้กลัวยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมดเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกไปด้กันเป็นไฟไปด้วกันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีธรรมเป็นเกรอบเรื่อป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟไปด้กันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาขันได้อีกเท่าความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่าคิดดูนี่อะที่เรียก ว, ว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้ เนี่ยที่นี่ถึงคขาจะตายห่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่าง ท, งทั้งที่ทุกข์ความจดจำเหล่า น, นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เด็กสาวภาวะเกี่ยวกับโลองทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมาก ท, ท, ทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักเ น, กนี่เป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันรับจุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นหรืเราจะตรงจิตลงตรงใจลงได้ที่ไหนถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพริจารณาให้รู้เรื่อง ามความจริงของมันก็ทาความเข้าใจายอย่างที่เราทราบันที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงมั่นยิงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยยิงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทำไมเราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทำใหม่ ตั together, ้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันให้ร้าแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองแล้วไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทําไมจรงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบบความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราโง่นะถ้าเราทราบเจออย่างนี้แล้วเราก็ให้เราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุด จุดสุดท้ายของทุกอันนี้ว่ามันจะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันไปยีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายนั่นเนี่ยหลักสาคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทั้งนั่งนี่แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไปแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเร า, าการแยกไม่ออกถ้าที่จะนานนเมื่อเราทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งตัางหาก มโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นนี่ี่เป็นความเห็นอันถูกต้องเช่ระหว่างจิตกับร่างกายต้เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตพอมายมะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับสร้าบ ในเรื comic, ่องเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเองว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จะมาตั้งเวทนาทนไม่ไหวมันก็แตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันด้านข้าเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงมีเป็นขั้นเป็นข้อนลยที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งนี้โดยถูกต้อง ถ้าทำควาเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยโดย้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในถ้ำกลางกองไฟก็ตามคือถ้าตขานนี้เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความมาณตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแก่เรานั้นอ เ, เองเอาอยู่ในถ้ำกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จังหวะแต่เราเป็นเหล่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเทงาไรรู้รความรู้นี้ไม่ได้อภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะ ชนะชาติทนตลอดสายอ้าวทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มาในดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัญญาที่ไหนไม่ดับมันมีการดับตั้งแต่นัตตาอันมาจุดทองที่ เ, เกิด น, นวาต่างๆารก็คือใจตรงนี้เองเป็นที่เพียงว่าไปตามบุญตามกรรมตั้งตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจิตของเราจะแนวลงสู่ความจริงไม่ชะพะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเรา ก็ความหมายความหลอกเนี่ยเขาก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไร เ, เราจะเกิดเราจะทายหมายไปทำํำไมเครื่องท่านเริงขันน้องเขามีการประชุมหรือการผสมขเขา้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการสนายไปตามเรื่องของเขาญาติเศษฉันปั้นยอเขาจะไปแบกไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปผู่บ้านเรือนขวางบ้าน ขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติตธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ท้งต้นทั้งคือความเกิดตายทั้งคือความตายกลางทางกคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นมานอย่างที่เราเห็นนี่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทางนั้นในทางในขันนี้อะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเรามาประกอบขึ้นพานจิตั้งเราให้เป็นความลื่นลึงด้วยภูณามความยุทเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย นี่วิธีพิจารณาหรือรบกันระหว่างกองทุกข์กับเราดิน ญ, ญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเหมือนกันพิจารณาหเห็นตามเป็นจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกขเป็นทุกขแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่ว ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณานี่อันเดียวเป็นหินนับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลึ่เดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลํำดั บ, ดบไม่ให้เถลอไม่ให้หลงมนะันมันแยกกันออกได้อาตาก็ตายแต่เถิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนัแยกกันมา้ไม่ไปนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ใน่าตในขันธ์ที่มันเป็นมีการกำจางมันมาไหม้ติดใจของเ้อยห้เดือวร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินนิธีแก้ทุกิธีรู้เท่าทุกข์วิธีถอนทุกข์ไม้ทุกข์คำภางในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นพุทโเวทนานั้นเข้ามาเผารวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท่าสุขจี่นี้เป็นสาระอันสาคัญ น, นั่นนี้แต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้ เธ อ, อสงวนรักษา น, นี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลงไปของเขานี่จิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่ที่หายเพราะการตายจริงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความพื้นภูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้อย่งไรเขามีจะทรงตัวไว้ได้ ด้วยความภูมิใจของเราเองนี่จิตเนื่องมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงเวลาจนกระทั่งถึงเวละคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเถอะท่านข้าแต่แตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วอยู่ได้แบบธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้ในแล้ ว, เ ป, ลวเป็นผู้ปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปไปเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักสำคัญการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใยตายให้เป็นจะไปอ่อนแอจะไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาตั้งเดิม ใครจะท่อถอยไม่ทอถอยประมาณนั้นก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท่อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเทนั้นเองนี่แหละ ส, สงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกงแท้จริง ที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันคือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในติตใจของเรามีเท่านั้นไม่มีอันไดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครเออสินทาอากาศพวกอยู่กลางสภาพองเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันคือจิตใจของเรานี่เป็นผู้รับถึงอย่างนั้นรับเป็นเชิญาอารมณ์ มันร้อนมากหนามากลรายุ่งไปหมดอมเอาหน้นามาเจ็บนั่นปวดนี่นั่นขันนั่นขันแต่ไม่เจ็บไม่ปวดหะไรก็เรือนของโลกมันเป็นโรคคําแปรสภาพอณิจจังทุกขังนักการนี่คือโรคชนิดหนึ่ ง, งมีกันกลวงเราแล้วจะไม่เขาสแสดงตัวได้อย่างไรอันใดที่มีมันต้องสแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาเขาให้ทราบตามเรื่องของมันนั่นก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเราพิจารณาดั่งนี้จิตใจเรายิ่งจะมี ควาเด่นรวมขึ้นมาโดยหลัเกิดความกล้าหาญทองใสก็ชัดเจนอกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกัอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในใจิตใจอ ม, มีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกั น, ในใจิตใจ น่าจะอยู่ในถ้ำกลางของกองเพลงิงคือทุกการเทศนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมรวมเสียหายไปเพราะทุกการเทนาทนั้นเลยถ้าเราไม่ประทำคําสาบจะเราเพราะคําหลวงนี่เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใชา้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่ง น, นี้นหลงนี้มันโรคเกิดโรคเกิดตายไม่ใช่โรคอื่นโรคใด ไปที่ไหนมันก็มีปัดช้าเหมือนกันหมดเราจะลบหลีกผิดตัวนี้แต่ไหนจะไม่พ้นความตายความเมื่มันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันกับไว้ร่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงน้่นมันเท่ากันหากพิจานาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นแหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวปลอดภัยได้อย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยกับตนเง้งเราเชื่อที่เลตและเชื่อมานานคราวนี้เรากําลังทายเที่เลตออกทารอกบมาทำรอกปอกที่เลตออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจา้ปาปฏิบัดไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดอธิบายตามพระองค์แล้วแค่ฆ่าปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาหยัดย่ำทําลายจิตใจดูก็เป็นสุข ปลอดภัยตายก็ไม่มีภัยมีเองเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเอถอะผู้ที่มีธรรมคลองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีอายุธรรมล่มมามจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้นหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีเราสร้างเองดูประจับปัจจัยของเราอย่างชัดเจนตร น, นี้ มันจะล่วมจนไปที่ไหนมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจที่ไหนก็สบายมีอำนาจแห่งการปฏิบาททาัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาไดพบนี้ได้พบพุทธศาสนาได้พบพปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นนะ่ะ ลอยจะหาทั้งทัพหนึ่งมันมีเหรอเราเทียบกันทั้งโลกนีว่ายตั้งต่อนหนึ่งมันก็ไม่มนะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอื้อทั้งหมดทั้งโลกอทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจิตที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้ยังไงหาจุดที่เจอสิอพระพุทธเจ้าทรง ค้นพบแล้วเจอแล้วถึงจะนําสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหลงไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดถ้าจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็นด้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ขัดข้อง เพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาขึ้น่ําเหนยถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายใจิตใจของสัตว์ผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะค้นคุกไปได้ด้วยลำบาภผู้มีนี้นั่นสิหลักใจไม่มีเดือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีชรลณะของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นชัลณะทาแล้วก็หมดคุณค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวิตนั้นทวิตนี้วัตถุสิ๋มของเหงอนทองนันน้นนี้เอาความสุขไปไว้นูน้นเอาจิตใจไปไว้กันูน้นพอน้นสลายไปหมดท่าที่นั่นไม่สลายเวาลาเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยนี่ว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งนานจิตใจ พึ่งภายนอกแลได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอสงควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสาคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตะสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจทยยั้งตอนอันเป็นทรัพย์อันกระสนให้สมบูรณ์คงสิทธิ์ขึ้นเดินมผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลําบากลําบนเรายอย่าถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นมันจะถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของเราอันใดที่มันเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามอันนี้รีบเล่มขวนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นสัญญาไว้แล้วกับเราม่าต้องตายแน่ๆนะน่ะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทาจะว่าจะตายเซ็นสัญญาไว้แล้วตีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขาจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้ รีบเลยตั้งแต่บัดนี้อเชร์แลปิติจะมาตัดปังโภชนญามะนังสุเวชนะเห็นโนสร้างการเตยนาห้เ า, หาเตยนุนมาตินาควรทำจิตที่เป็นผลเป็โยดเป็นสาระสำคัญแต่ตนเสียในวันนี้ถ้าควรคำนึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามาจุราชนั้น่ะไม่ได้กำหนดเวล่าเวลาว่าจะมาเมื่ อ, อไรท่าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่า แล้วมีทางที่จะลดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียจะนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต้นขึ้นต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายจะไม่มีนันน้นเป็นไปไม่ได้ถ้เราทำเทย่างในแบบนี้อย่านอนกาย กลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสําคำนั้นหมายอย่าหวังแปลความสุขความเป็นกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์อยูเต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพไว้นั้น งานจินเป็นเรื่องโมฆะางอย่างจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกข์กมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จิตนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นนั่นแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในท่านในขันในจิตใจของเราไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นงานจริงต้องสร้างเรือนรับรองทำขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความ เชื่อควา ม, มสงสัยของภาคความเพียนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกํจาจัดสิ่งที่มืดมนอนันตการทั้งหลายนี้ออกเหมือนแต่ความสว่างกระจ่งงางแจ้งขึ้นภายในจิตใจทุนั้นแหละการคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นนานนานว่าคือมีความสว่างสว า, ายอยู่ตลอดเวลาไม่ไดีโยมมาเป็นกลางวันกลางคืนดูที่ไก่นั่นนะ่ะคือผู้มีหลัก ่ผู้มีอริยสัพพะผู้มีความจบชบอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรเป็นความรู้สึกเพียงเท่านี้น